สบาย ด, ดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนให้ <c oughs> ทั้งใจปฏิบัติอาจจะมาแต่แนะนำวิธีปฏิบัติให้เข้าสมาธิลดพี่พี่น้องเหตุมนันจิตมันสงบปอ้ามันปอสงบจะให้กำหนดรูรู ล, ลมหายใจเขา้า ลมหายใจออกลมเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมเข้ายาวลมออกยาวก็ให้รู้ว่าลมออกยาวให้สังเกตดูลมหายใจเข้าออกของห้าวและค่อยซ้อมเบื้องซ้อมเบื้องการออกการเข้าของลมเวลาลมมันยาวห้าก็รู้ ยาวเข้าไปในท้องเขาคนน่ะในหัวใจเขาคนน่ะยาวออกเวลาออกก็ยาวออกไปเขาคอยบงิเวณนั่นแหะเวลาลมเข้ายาวเขาก็รู้ว่าลมเข้ายาวเวลาลมออกยาวเขาก็รู้ว่าลมออกยาว คอยเบิงคอยดูคอยรู้คอยเห็นอยู่ท่นละ่ะถ้าใจเ h ้าสงบแล้วก็ให้ตั้งใจรักษาความสงบนั่นไว้ให้มันสงบจย่งนั้นอยู่เรื่อยๆอยามไหนก็สางให้มันสงบอยู่ท่านละย่างไปมันก็สงบ นั่งอยู่มันก็สงบอันนี้คือความต้องการถ้าใจเฮาสงบแล้วใจเฮาก็เป็นทุกข์เบิกบานแํมใส่คอยหัดคอยฝึกบ่นว่ามันสิเป็นมาลรนเ ด, ด้ลมหายใจยู่แต่ก่อนเขาก็มียู่ลมหายใจ ลมหายใจสั่นใจยาวเขาก็เคยหู้อยู่แต่เขาบ่ได้เอามาใช้ในการปฏิบัติเลยเวลาปฏิบัตินี่เขาก็ไ่ไดเอามาใช้อทีนี้เหาะลมมาใช้แบบนี้เขาก็จะเห็นเวลามันออกมันเข้านี่เขาก็จะเห็นชัดโอ้ลมออกลมเข้านี่เห็นสัดแล้ว เดินไปก็ให้เห็นสัดอยู่นั่งอยู่ก็หเห็นชัดอยู่ให้เห็นแก่มแจ้งให้เห็นว่ามันเข้ามันออกแต่ว่าเวลายางก็จะยางซาหลายยางเขาคือเขาไปเห็ุุุระเวียกงานนี่นะยางกะสีเร็วขึ้นจากหน่อยนึงอืม การภาวนานั้นคือการชำระกิตของเฮาให้พ้นจากกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองดองใจของเฮานี่แหละไว้ให้คุณมัวอยู่ในโลกนี้ให้ร่มหลงอยู่ในโลกนี้เกิดสาสนัยเฮาก็บอพ้นจากเถื่อบุคคลทุกข์จากเถื่อเกิดขึ้นมาก็บุคคลทุก แกแล้วก็ตายไปซืออ่อๆเฮาบ่เห็นทุกข์ของเจ้าของอยู่เกือเห็นทุกข์แต่ว่าเหตุเรียกเหตุงานเหตุด้านเห็นุ น, นี้อยู่บาเสาขยันคนเหล่าทะธรรมาหากินบ่เอื้อบ่อยากก็ให้ฝึกหดัด อบลมใจของเฮาให้มันพ้นจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอวิชชาตัณหาให้เจ้าหนี้เฮาจึงที่พ้นไปได้เฮาต้องเข้าสมาธิให้มันได้ก่อนพอเข้าสมาธิได้แล้วมันสามารถสําระใจที่บอสงบนี้ให้มันสงบได้อยู่สําระใจที่บารูแจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี เฮาก็สามารถรู้แจ้งอริยสัจสีได้ถ้าใจเฮาสงบแล้วนะ่ะถ้าใจเฮาว่าสงบเป็นเฮาสิทองเอามันก็บังู่แจ้งในใจมันบวชเห็นชัดอยู่ในใจเลยมันเดี๋ยวฟุ้งซ่านอยู่อย่างฉันแ่ะเฮาจะเห็นความจริงความจริงของการเกิดความจริงของความแก่ความจริงขอ ง, ค ว, ค, ว ค, วง ค, วความตาย เกิดว่ามันเป็นทุกข์เขาฮาโกห้อยู่มันเป็นทุกข์แต่พอเวลาเฮาเกิดเฮาก็บรรู้ได้หรอมันทุกนะข์ซ้ำใดเนี่ยเฮาบรรู้อืมทุกข์ซ้ำใดเฮาก็บรบรู้หรอกแต่เพิ่นว่าเกิดแล้วเป็นทุกข์ทุกข์เกิดทุกข์ก็เกิดก็คือเฮาเกิดมาแล้วเฮาไงมาแล้วเฮาจังห้วโอบมันยุ่งยากหลายอย่างหลายสิ่งเท่านั้นนะ่ะ มันเป็นอย่างสั้นอันนี้เฮายัางเถียงพระพุทธเจ้าอยู่คือเฮาพอมีญาย่างรู้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้าความทุกข์เกิดพอความทุกข์นี่แหละความทุกข์นี่เกิดถ้ามีเกิดก็มีแก่มีเก็บมีตายพี่น้อยยังซี่อันนี้มีเกิดมีแก่มีเก็บมีตาย มีพัดภาคมีจรจากปรารถนาสิ่งหนึ่งมาได้ส่งความมุ่งมา่ปรารถนาก็เป็นทุกข์คนละอยามปิดฉังนั้นละพตัติตามปีทุกข์ขังคนละทุกข์แมันติด ต, ตามเฮาอยู่ตลอดนะนะตาราบใดที่เฮายังวนเวียนว่าอยู่ในวัฏสงสารนี้ทุกข์ก็ตามเฮาหมดึดทุกข์ของความเกิดทุกข์ของความแก่ทุกข์ของความตาย ทุกข์เพราะความโศกเศร้าเสียใจทุกที่ปรารถนาสิ่งนี้แล้วไม่ได้สิ่งนี้ส่งความปรารถนานี่ก็เป็นทุกข์นั่นเฮาเฮาเกิดเท่าไรเฮาก็ทุกข์เท่านั้นน้ําตาของคนผู้ไหลออกเพอถูกต้องกับทุกข์นั้นคือเป็นทุกข์ใจนะน้ําตาไหลออกแต่ละชาติละชาติเก็บมารวมกัน ส่วเฮาทีได้สําเร็จเป็นพรนะอรหันต์น้ําตาของเฮาเท่ากับน้ําทะเลมหาสมุทรทางศีลนะพี่น้องว่าดูพระพุทธเจ้าเดบ่าว้าน้ําตาของคนเนี่ยเท่ากับน้ําทะเลมหาสมุทรทางศีลค น, ะ ห, นหนึ่งที่เกิดมานันะ่นน้ําตาออกเทร่าซาดลาซาดเก็บไว้รวมกันแล้วเท่ากับน้ําทะเลมหาสมุทรนะ มันุ่มน่มธรรมดาด้คนเกิดมาแก่เก็บตายอยู่นี่ในโลกนี้ร้องไห้เสียใจใไปหลายลำพันอยู่นี่มันมากมายป่านไหนเฮาฟังแล้วเฮาไปอยากเชื่อเลยว่ามันสีเป็นป่า น, นั่นแต่แม่ยูนี้ละพระพุทธเจ้าคนเพคนสร้างบา ร, รมีมา ก, ก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ใช้เวลานานหลายเทือก ใช้เวลานานหลายปีหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันหลายอสองไขยคนเกิดตายน้ําทะเลมหาสมุทรยังน้อยกว่าน้ําตาของเราลองคิดดูที่มันคักปันไหนน้าตาน้ําตาพวกนี้หรอกพวกได้ อ, ออกเป็นคู่เป็นถังยังวายอยู่เทาก็เที่ยวเกิดเ ท, กเที่ยวแก่เที่ยวเกิดเที่ยวตายก็ใช่แหละในวัฏสงสารอันนี้ โอ้ยมันทุกข์ยากลําบากใจขนาดไหนเพื่นยังว่าบวบ่อนายบอบอบวบืัอนาย บ, า บ, า บ, าบอยบโลกมันทุททกข์อยู่ป่านนี้เฮาเห็นทุกข์ของเฮาอยู่ป่านนี้เรียบเทียบให้เห็นกับเท่ากับน้ําทะเลมหาเนื้อใหญ่มากกว่าน้ําทะเลมหาสหมุทรตั้งจีนเฮาบวบัวบอบัวนายบอในการเกิดของเฮาเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายอยู่นี่ เอาพระยาคดหัวเอาพระยาคดาจากกองทุกหัวกองทุกนี้มันเืนี้ยาวหาแท้ๆเด้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกซ้ำไปยัสงสั้นโมเมนต์เทนึงเทเดียวเนะ้ยคนเท้ามเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวกับเที่ยวเก็บเที่ยวตายมันลายอาทรงไขแล้วหลายครับหลายกันแล้วว่าสันทนาไป มันฝานั่นจริงๆเนีให้คิดว่าโน้เกิดกับเองนึงนี่กบเหนึ่ ง, งกับนึยอดนึงน่ะมันเท่ากับสบหกิโลเมตรกว้างกับสบหกิโลเมตรยาวก็สบหกิโลเมตรสูงก็สบหกิโลเมตรรยปีเทวดาเอาเม็ดงา ไปทิ้งลงในสะใบนั้นนะ่ะมิตรหนึ่งเทวดาผู้นั่นมีฤทธิ์มีอำนาจสามารถทนอยู่ได้บ่ได้ลงมาเกิดนานแสนนานค่อยเที่เอ า, เอาแต่ร้อยปีปับ๊บเอามิตรงามมาทิ้มลงในสะใบนั้นนะ่ะที่กว้างยอดหนึงยาวยอดนึงสูงยอดนึงนะ่ะคือสิบหกิโลเมตรนะ โอ้ยเที่ยววนเวียนเอามาใส่อยู่สั้นละ่ะทุกร้อยปีจนสาไปนั่นเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากเอาไม่กวดไปกวดไปเสมอกันเลยเม็ดงาเต็มหนึ่งยอดน่ะอันนั้นเอื้อนว่ากลับนึง พระถามพระพุทธเจ้าให้เปรียบเทียบให้ดูว่ากลับหนึ่งนี่มันนานประมาณเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบว่าสะใบหนึ่งกว้างหนึ่งยอดยาวหนึ่งยอดชูหนึ่งยดนั่นแหละร้อยปีเทเวดาเอาเม็ดงามมาทิ้งใส่เธอหนึ่งเม็ดงามก็ระดิไงตัวอย่างเนาะเม็ด น, น้อยนหนึ่งเอามาใส่ถูถร้อยสะถูร้อยปีทูร้อยปี จนกวาสะซีเต็มด้วยเม็ดงาลองคิดดูสิละ่ะอันนั้นละเอื้นกระปับหน่งเต็มนั่นะเอ้นกลับนมันนานปรด๋กลับหนึง่งมั น, นยาวนานประเดี๋่เาเกิดมานี่บอเนต้องเกิดอยู่เพียงซาดเดียวเลยเกิดมันับครบนับซาดบอทวน เกิดหลายแสนหลายแสนโดนแสนนานเฮาเกิดมาเนี่นานแสนนานว่าเป็นธรรมดาให้ลองคิดเพิ่งดูชีวิตของคนเกิดมาเนี่ยอยู่ห้าสิบหกสิบปีเจ็ดที่ปีแปดสิปีร้อยปีตายแล้วเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็เกเเกบเที่ยวตายเส้นลําไป ถูกพบถูกซาดบ่หูจากจบจากสิ้นจากเสือเกิดเป็นอยัางเฮาก็ได้เกิดเป็นเมด็ดขบโบพนทุกจักเถื่อเนี่ยลองคิดดูเหาบโบพนทุกจักเถื่อได้รับความทุกข์อย่งั้นแหละได้รับความเดือดร้อนอยู่งั้นแหละโอ้ยมัน มานทแทแท้คนเฮานี่เพราะมันเกิดชาติเดียวมันเกิบนับพบนับชาติบ่ทวนแล้วเป็นอสงไขยเป็นลายอสงไขหลายกับลายกันเกิดมายามไหนก็มาพ่อแต่ของเก้านี่แหละมียกับผู้เกา เกิดมาก็เหตุกันก็ฮักกะมักกันนั่นมาเหตุให้เหตุ น, นามาทำหัวทำสวนมาหาอยู่หากินคือเกา่าแหละเกิดมาชาติใดพบไดก็ดีเนี่ยมันเป็นยังซี้โชคนั้นมันเหยาบย้ำหัวใจเอาอยู่ตลอดพอเอาเปลี่ยงเจียงบัวหลุดพ้นเอาไปอย่างเจีงวัห น, จนีจากโชคได้ ก็เอาบาได้ปฏิบัติธรรมนี่บได้ปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ า, ธธานี่ยเขาก็เลยบ่พถถ้นทุกข์เกิดเสื่ออย่างดีเขาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเขาบ่าได้ปฏิบัติเขาบ่าได้สามารถชาระใจของเขาที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้ให้ใจบริสุทธิ์พองใสจากกิเลสเขาทำอย่างบริสุทธิได้ ถ้าเราทำส่วนนี้บาได้การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็นานแสนนานแล้วที่จะกายนามไหนแล้วเขาจึงสิพ้นจากถูกแต่โชคดีที่ลราเขามาเกิดม า, าชาตินี้ได้ปฏิบัติธรรมได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ให้ทานนี่ทานเขาก็ให้ศีลเขาก็รักษาภาวนาเขาก็ปฏิบัติภาวนาก็คือหัดจิตให้เป็นสมาธินั่นเอง แล้วก็หัดจิตให้รู้แจ้งเหตุจริงให้เิมมองเห็นกายสังขารร่างกายของเฮานี่เป็นของบเที่ยงทนอยู่บบได้เป็นของต้องแตกสลายดับไปนี่เฮามาเห็นชัดในสุโมนีแล้วเฮาจึงสว่างความยึดความถือได้ความยึ ด, ดความถือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เฮาสวางได้ถ้าเฮาปฏิบัติธรรม ถ้าเขาบอปฏิบัติธรรมแล้วเขาวางมาได้หรอกเกิดแล้วก็เกิดอีกองั้นแหะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกพออย่างพอว่าเขาเขาพอสามารถทำลาย จ, จิตของเขาให้บริสุทธิ์ได้แต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติให้มันถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็สามารถทำลาย จ, จิตที่ไปบริสุทธิ์นี้ให้บริสุทธิ์ได้ ให้เป็นพารีบุคคลในพุทธศาสนาได้ให้เป็นพระโสดาบันให้เป็นพระสกิทาคา้าเป็นอนาคาลหลานได้ถ้าเฮาปฏิบัติได้ยังซี่เฮาก็หนี่ถูกได้เฮากระพณจากทุกได้แม่นเกิดชาติที่สุดก็เกียติชาติเท่านั้นถ้าเฮาได้เป็นพระโสดาบันแล้วใจเฮาเนี่ยสิรักในพระราชาแตคือพุทธเจ้าพระธรรมสง่์บอตี พอพุทธ้าว่าบรมพุทธเจาปฏิภาธรรมว่าบรมินภาธรรมปฏิภาส ง, งว่าบเป็นระสงพอาำนี้ตีเตียนพ่ใส้ล่ไปสี่พอาทาสิ่งที่มันบอดีบองามนี่แหละเฮาปฏิบัติคอยกับนกยิ้ให้ดียิ้ดเป็นเทียง เอาใส่ให้มันเที่ยงเอาล่อมันอ่อยมันให้มันสงบพูดง่ายๆเหมือนลูกเราเนี่ยเวลาเอาใส่อูลแล้วก็กวยไปมาหมานึ่งเด็กก็ลับนั่นคือจิตของเขาเป็นสมาธิแหละมันก็นิ่งสงบลงไปมันบอกคิดเรื่องอื่นมันคิด แต่อยู่กับลมหายใจเขาออกมันเปียซี่พอเคื่องเราเ็กน้อยเนี่ยมันนอนหลับแล้วเอาโบกวยก็บโบกยังใหมันนอนอยู่ของมันนานสั้นเนี่ยโบกวยอู่ก็ได้แต่ถ้ามันตื่นแล้วเอาจะไปบังคับให้มันหลับอีกมันก็ว่าได้มันเพราะนอนพอแล้วมันก็ร้องเล่นไปตามเรื่องของมันนี่พอเคือกับจีเทาสงบแล้ว เฮาก็เลยต้องไปเอาความสงบอีกให้เอาความสงบนั้นมาพิจารณาร่างกายตัวตนของเฮานี่ให้เห็นสัดเหตุแจ้งเกิดมาว่าโอ้ตัวเฮานี้เกิดมาก็เป็นเชี่ยเนาะมาแต่ท้องพ่อท้องแม่เนาะ응เกิดมาเป็นคนแล้วพอมาเจอแต่ความทุกข์ความยากความลำบากขัดข้องในใจมัน응เป็นเั่น ให้พิจนาลงไ ป, ไปบ่อยๆดูๆอยู่เรื่อยๆพิจนาเบื้งตัวตัวลมเฮานี่โอ้เกิดมาก็แก้ตามลำดับเนาะต่อไปก็จะมายังสิ่เกิดขึ้นอีกก็คือตายแล้วเนาะวันนี้ให้คิดอยู่เสียให้เห็นสัดลงไปแก้งเข่ามาถ้าวพเห็นสัดเข้า ส, สมาธิไหมเข้าสมาธิอีกคอยกำหนดรู้ลมอีก จะคิดมันสงบก็แล้วสงบแล้วให้สงบอีกสงบแล้วให้สงบอีกจนพอใจบางทีมันบริการทอย่าง้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเลยใบ ไ, ไม้รนตร น, นาโก็ู้เห็นใบไม้เหลืองโอ้นี่คนเท่าคนแก่เนาะอยู่ไปก็ลงรนไปเอาเห็นหนากันอยู่งามนี่ก็ถือว่าดีแล้ว ถ้าล่วงไปโดนนานเกิดแห้งสิ่งยากลําบากขึ้นไปกว่านี้อีกทุกข์ยากกว่านี้อีกนี่มันก็ล้วงร่นเนาะมันลนจากขั้วแล้วเอาไปติดอีกก็ระได้จะเอาไปติดในขั้วอีกอในขั้วในใบในต้นในงากระไรอีกอขึ้นกับกชีวิตของเฮาค่ะมันตายแล้วเฮาจะเอากลับมาฟื้นขึ้นมาก็ เ, เระได้ก็เฮ า, าทิ้มไปซื้อ ใบไม้แม้กระบม่มีแต่ใบแก่ใบหินเหลืองพอาะพระพุเจ้าต่ว่าใบาไม้เหลืองนะเจ้านี่เป็นคือใบไม้เหลืองใบไม้เหลืองนั้นมีแต่คอยสิลดจากขั่วอยู่เสมอลดจากต้นอยู่เสมอสเสบียงทางของเจ้าป่ะทันมี เจ้าบริษัทําบุญทากุศลอันใดใดไว้เลยคนเดินทางมันต้องมีเสบียงทางแต่นี่คนจะตายต้องมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องรองหลับจึงสิได้ไปสู่เทวโลกมีความสุขความเจริญเนี่ยพุทธเจ้าคตัดไว้อยดีเฮาก็มาเบิร์ดเบิงของตัวเฮาที่ะบัด น, นี่ ตัวขอเขาไปยังไหนหเขาทำเสบียงไว้ให้เจ้าของหรือยังทานเนาะให้ล้วบซีนเขารักษาล้วบาภาวนาเขาเฮ็ดล้วบถ้าเขายังบุทันเฮ็ดบุทันทำไก้ทำไว้ษาอันนี้คือเสบียงของเขาเสบียงที่จะไปสู่ภพมโลกไปสู่สวรรค์ไปสู่เทวดา ม, มาสู่เป็นมนุษย์หรือได้สำเร็จเป็นพระรหันต์ก็เข้าพระนิพพานเฮามีสุโมนีหรืออย่างถ้าเฮายังบ่มีให้เฮต์ให้ทำไว้อย่าประมาทสมบัติในโลกนี้เฮาไปบ่ได้จากอย่างเน้ยเข้าขอเงินทองเฮาเก่าไปบ่ได้ถ้าเฮาเบ่เฮตบุญไว้เฮาบ่ได้อย่างเลยเหมือนเฮาสิมี เงินร้อยล้านพันล้านแต่เฮาว่ได้เฮตบุญเฮตทาน้วยเงินเหล่านั้นก็เป็นของตกเป็นของคนอืน่นเป็นของลูกของหลานเป็นของคนที่มานําหลังเขาพอใจเขาก็ทำบุญให้เขาไม่พอใจหรือบริรูปเรื่องเขาก็ทําบุญให้เฮาเฮาต้องทําของเฮาเองเฮาต้องปฏิบัติของเฮาเองเฮาต้องเฮตเองทานนั้นก็ดี สินคือกันรักษาแทนกันหมได้ดีสีนนี่ทานยังพอทําแทนกันได้อยู่เอาเอาไปทานให้แหนยังได้อยู่แต่สินเอารักษาศีนให้แนนรักษาสินแทนให้แหนสิได้บ่คิดว่างูมันสิได้บ่ล่ะรักษาสีนแทนกันห่ดได้เลยนี่หมายเขาว่าเฮายังเ่าท่านไปได้โส่วบดดาวัน เฮายังว่าว่าผุถุชนอยู่มันแทนกันได้บ่หละวันนี้เอาอนุษาไงไปแทนไปนั่งสมาธิแทนเด้อมันจะได้บ่บ่ได้ถือศีลแทนกันก็บ่ได้ภาวนาแทนกันก็บ่ได้ ต่างคนต่างก็เฮ็ดเอาต่างคนต่างก็ทำเอาเพาะฉะนั้นเฮ็ดเอาทำเอาใหารอให้มันซามันสวยอยู่ให้เฮ็ดเอาให้ตั้งใจเอาให้ปฏิบัติเอาให้ทำเอาจนมันรู้มันเห็นคนละจนมันปล่อยวางได้คนละมันคอยแก้งขึ้นมาในหัวใจของเ้าหันละ พันเฮาเห็ดเป็นแล้วมันแก้งข่าวขึ้นมาในใจมันไม่เป็นไปอย่างอื่นหรอกอิจใจเฮานี่ก็สว่างสวัยขึ้นมาเห็นความทุกข์ความเจริญเกิดขึ้นใน ใ, นใจให้เฮาเฮ็ดให้เฮาทมให้ภาวนาให้ปฏิบัติคนเราท่องเที่ยวเวีนว่ายแต่เกิดนานแสนนานก่สิ่งใดพ้นทุกข์ กอดสิเดพบพระพุทธเจ้ากอดสิเดพบพระธรรมกอดสิเดพบพระสงฆ์มันนานมากพบพระสงฆ์แล้วพจนเทศได้พจนเทศให้สอนให้ฟังเฮากระปฏิบัติสามอมืเอามาพบแล้วเฮาโชคดีแล้วชาตินี้เฮามีหวังแล้วเฮาโทต้องไปนรกเลยเฮาต้องได้คุณธรรมสันได้สันหนึ่งถ้าเฮาตั้งแก่ปฏิบัต มันยังเกิดยั้มีขึ้นไหมบอกแน่นอนมันไปเกิดเอาเฮ็ดมันเกิดลดพระพุทธเจ้ า, าเพิ่งโกนออกมันยากปานอย่างนี้การทีได้เป็นอริบบยบุคคลนี่มันก็แมนอยู่ความ อ, องนะ่โง่ก็ถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็ไปได้ว่าตั้งใจปฏิบัติโคนุฮาโชกีมานันโทนิจังปัจจาลิเตสติโลกนี้โลกเป็นไฟอยู่ โรคนี่ยลูกเป็นพื้นเป็นไฟอยู่ไม่โรคอยู่ไฟนะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหานไม่โรคอยู่เป็นอย่างงี้เขา่ามามัวเมาประมาทอยู่แท้คือบอ ร, รีบหาแสงสว่างโลกมันมืดตัวเพจงใดหาแสงสว่างไว้ตัวมันจึงถือนี่แหละ เอาหาแสงสว่างไงเฮาทด้เดี๋ยวนี้โลกนี่มันลูกเป็นไฟอยู่ห้อนลูกเป็นไฟอยู่เป็นอย่งเจ้าบวหาแสงสว่างคนนะ่ะโลกมันมืดมนอนทกันอยู่เป็นอยังเจ้าบวหาเสียงสว่างคําว่าแสงสว่างในทางนี้คือปฏิบัติธรรมให้มันพ้นทุกขนะ์น่ะนั่นแหะ ให้เหตุเอาทำเอาให้สังเกตให้มันดีเมื่อลมเข้าลมออกเนี่ยนเป็นยังไงถ้าเอาไปออกท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิด เ, เหตุจันซี่ละนี่ก็ว่าแต่รสงสารที่พูดมาเนี่ยว่าแต่สงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดคนนั้นเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายยุงซี่ล่าไป พอจากจบจากสิ้นจากเสื่อได้เห็นธรรมของขุธเจ้าแล้วเท่านั้นแหละปฏิบัติธรรมคำสอนขุตเจ้าเท่านั้นแหละเขาก็หนีจากกองทุกไดแ้แล้วเขาสบายแล้วเขาบวห่วงไผ่บ้านเขาก็บวห่วงงอควายหรือว่าเกียงใส่ไม้สวยยังเข้าบวห่วงเขาบาวกลังวนเขาบากวกิดบวณึก เขาบอกเอาใจใส่สุโมนั้นเขาคิดว่าเขาเอาตัวรอดคนเดียวเนี่ยเอาตัวรอดภยัยบ อ, อกก็สซ้างภัย่อยากได้ก็สซ้างแต่เขาอยากได้เขาอยากหนีอย่างนี้จากกองทุกนี่จากความแก่ความเก็บความตายอันนี้เขาเห็นจะไหนเขาจังสิไปได้เขาสิพนได้เขาวางมั้ วางมดลูกก็ตามพวกก็ตามเมีย ก, ก็ตามวางมืดเอาตัวภัยตัวมันใัยหัดได้ผู้นั้นก็ได้ลรอผู้ใดเห็ุได้ดไดผู้นั้นก็ได้ผู้ใดเห็ุว่าได้ก็คาอยู่นั่นในโลกนี้เที่ยเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเจ็บเที่ยวตายอยู่สั้นพอวันจบวันสิน้นนั่นแหละเหี่ยวพิาณาบังดูว่าว่าส่วนใดในร่างกายของเฮานี้ สักวันหนึ่งก็ต้องแตกสลายเฮาก็เห็นนี่แล้วพี่ญาติพี่น้องของเฮาผู้แก่ผู้เฒ่าผู้สลาเฮาก็เห็นนี่แล้วก็ตายไปตัวหน้าตัวตาเฮาเฮาก็เห็นนี่แล้วเช่นพ่อแม่ของเฮาหรือปู่ย่าตาทวดของเฮาเฮาก็เห็นไไนีมมนแ่แล้วตายแล้วจะสิไปไซบันนี่วันนเกิดแล้วบอตายด้ิแล้วตายแล้ว บทเรียกบทเล่ากันเพราะเป็นสัน้นตายแล้วก็ไปสู้อำนาจบุญบาปพระพุทธเจ้าวะมีกรรมดีก็ไปสู้ที่ดีมีกรรมเสวะก็ไปสู้ที่สัสวมันเปลี่ยงสัน้นไปตามบุญตามกรรมที่เราทําไว้นั่นเนี่เขาขากบขาเสียนข่าปูขาป่าปลาข่าสร้างข่ามา้ข า, ขาข่างัวข่ากล้วยข่าคนไว้ เข้าก็ไปตามอำนาจนั้นถ้าเข้าไม่อยากไปเขาก็รักษาศินได้ไหมซือศินซะเข้าสมาทานศินห้าสินแปดตามควรตามการเขามีศินแล้วมันก็ขาดกันจากคนอมมีศินนั้นแต่ก่อนเขาบมีศินบันนี้เขามีศินแล้วเขาตัดขาดหรือเปลนี้เพราะเขารักษาสินเขาตั้งใจรักษาสิน เพรานว่าหายทานรักษาศีลภาวนามีเป็นทางออกจากทุกข์เพราว่าเขามีศีลชัวสร้างภาพหงงลีบลิ้นเท่านั้นแหละเขาก็ได้ไปสวรรค์แล้ว ถ้าเขาไปทำบาปอื่นถ้าเขามีศีลห้าแล้วบาปมันก็เข้ามาใกล้เขาบ่ได้พอเขามีศีลแล้วมีแต่บุญมีแต่กุศลมีแต่คมสุขเฮจัไนไปก็มีสุขคุณทั้นนหะบอกยามไหนบอกเ ว, ว, วลาไหเป็นั่านตลอด เอารักษาได้น้อยหนึ่งก็เป็นศีลแล้วเหมือนวิญญาณของคนเนะ่ยพอหุ่นักานจานศีลนะเฮาให้บุญย่แต่เก่ามาได้พอผมมีศีลพอเขาให้รับรับศีลเท่านั้นลนะ่ะผีนะ่ะโอวิญญาณนะ่ะเฮาให้รับศีลพอรับศีลปั๊บ เอาสิบอกเขานาะอบอกโบทันไปแล้วได้ส่วนบุญละไปสวรรค์เลยนั่นให้เอาให้รับสินเดี๋ก่อนพอรับสินแล้วบุญที่ญาติพี่น้องทําให้ก็เข้าไปในใจของคุณนั้นเมื่อไปสุคติสวรรค์เลยทันทีก็มีตัวอย่างอยู่ก็เคยพ่อเคยเห็นอยู่แนนี้เคยได้ทําได้แก้อยู่เพราะนั้นคนมีสินอย่งเป็นคนมีบุญ คนมีทานก็เป็นคนนี้บุญคนมีศีลก็เป็นคนนี้บุญคนภาวานาก็เป็นคนนี้บุญมีบุญจึงได้ภาวานาจึงได้หดัดจึงได้ปฏิบัติจึงได้เหตุถูกต้องจึงมีความสุขความเจริญจึงมีความสบายกายมีความสบายใจโอ้ยความดีเฮาได้เห็ุไว้แล้วเนาะได้เหตุไว้แล้ ว, ไ ด, ไ, ว, ลวได้ทาไว้แล้ว เอ า, าอพอตกทหดอกข้าเฮ็ดไว้แล้วนั่นอนะ่ะขันเอาสร้างบุญสร้างกุศลไว้ทางไปสู่ความสุขความเจริญมันก็มีมากถ้าเอาปฏิบัติธรรมนี่แหละมันจถึงเกณนแท้ของธรรมของการปฏิบัติล่ะมันก็จะต้องได้มากได้ผลตัดการเวียนว่ายตายเกิดแนว่าจะทรงสารลงได้ เหลือน้อยลงเฮาสิเกิดได้อีกเกีชาติเท่านั้นอย่งางซาเฮาบ่มีชาติที่แปดที่เก้าที่สิบที่หมื่น ท, ที่แสนที่ล้านที่โกดเฮาบาม่มีตื่นหนึ่งเฮาก็บ่มีเฮาบ่ได้ไปเกิดละเฮาบ่ได้ไปเกิดเฮาเกิดในโลกนี้เียรตชาติมันก็บ่ทุกขในนรกอีก เกิดมาก็เป็นคนดีมีชินธรรมในพบพระพุทธศาสนาก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปนั่นแหนะหรือพอสั้นหัดชาติที่เกิดเนี่เขาก็มีวิธีเกิดความปฏิบัติ ถ, ถูกต้องขึ้นมาเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปเข้าพระนิพพานไปจ้อยในเป็นอังซี่ถ้าเข้าหัดเข้าเฮ็ดนะั่นแน่นอนเลยเขาตรงไดเข้าต้องได้ต้องถึง เอาต้องได้ถึงวักถึงกลถึงความปฏิบัติถึงยอดของพุทธศาสนาเพราะนิพพานังพละมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพุนถ้าเ้าตัดการเวียนว่ายตายเกิดออกไปเบิดแล้วเ้าก็ว่ไปแล้วสูภูมันต่ำมันก็เข้าพระนิพพานพุนดามดถุกหมดโศกหมดโรคกดภัยหมด กังวลหงุดห้ิดอันใดบ่มีเลยเนี่ยเป่ยเจีงซี่อันนี้เทศให้ฟังเรื่องวัฏวณคือการเวียนว่ายแต่เกิดถ้าพอเห็นธรรมของผุที่เจ้าเฮาหนีทุกข์ว่าได้เฮาต้องเที่ยวเกิดเที่ยวเก่าลายกลับลายกันนับอนเนกอั น, นั้นชาตินับพอท่วนนั่นเฮาก็มีทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้าเฮาปฏิบททัติธรรมถึงมากุญ น, นิพานแล้ว เฮาก็ไปดีมีโุคแต่ถ้าเฮาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเฮามีทานมีศีลถซื้อเฮาก็ไปพเพราะมันเอาไปสวรรค์ได้อยู่แต่ถ้าในปฏิบัติธรรมแล้วถือต้องเหตุถือต้องบรรลุมรรคผลแล้วเฮาก็บวมเวียนวนอยู่ในวตาสงสารในอี๋เฮาก็หนีเข้าผนีพานไปเลยเฮาก็หนีพาน บวกกับ ม, มาเกิดมาแกมาเก็บ ม, ม, มาตายอีกตายชาตินี้เป็นชาติทท้ายแล้วผมมีทุกข์อีกต่อไปเดี๋ยวฉันอันนี้เทศนาให้ฟังความทุกข์ของคนผู้เวียนไวตายเกิดในวัตตะสงสารนี้ร้องไห้น้ำตาเมื่อน้ำทะเลมหาสมุทรก็ยังน้อยกลัวผู้คนเยียนไหวตายเกิดในวัตตะสงสาร เพราะฉะนั้นเฮาได้โอกาสมาปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าโชคดีแล้วเฮาหาทางพ้นทุกตัวนี่เฮาสิเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นความสงบอยู่ในใจของเฮาแหละถ้าใจเฮาสงบแล้วเฮาก็สบายเฮาไม่มีทุกข์มีกังวลอันไหเฮาบม่มีโทษกระไพเฮาคารวะพระราชาแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเฮาก็มีแต่ความสุขนั่นแหละปฏิบัติธรรมมันก็บ่กขาดคล้องเลย พน่าบวให้ป็นดาพระดาเจ้าบวให้บรรดาต้นี้นดีเตียนพระโศกเจ้าบวชบวชบวให้ต้นนี้คนด้วยทำความภาคความเพียนด้วยกันหรือปฏิบัติภพมาจันด้วยกันผ่านไปต้นนี้ที่เตียนพูดตินทาวานายใส่ความใส่นั้นใส่นี้อันนั้นก็เลยพลอยบดีไปนี่แหละ ให้ตั้งใจปฏิบัติอันนี้เทศนามาให้เห็นว่าพอาบนเวียนในวัฏสงสารม่มีแต่ทุกข์เพื่อเทไรก็เป็นทุกข์ท่านพุทธทาสแปลไว้ทุกขาชาติปุนาปุนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปเพรว่า เกิดบ่อยทั่วบอถึงทาพอได้เป็นพ้าระหันมันก็เกิดดูเรื่อ ย, อยน่นถ้าเป็นพ้าอยียาเจ้าแล้วมันก็บอกเกิดหลายมันก็สิ้นสุดกันภายในเกีติชาติยังที่เขาสีเวียนไหวแต่เกิดอยู่มันก็ยังยังดีพิธับายะพูมได้แล้วำเป็นมาะว่วดับไฟขอตงนรกเน๊ เคยทำบาปทำกรรมมาป็นไหนเห็นว่าพระโอโจุลุคุริมานข่าคนมาแดบมากม า, กายไกลกองได้สำเร็จเป็นพระละหันแล้วโอตกทุกเลยตกทุกเที่ยวเกินเที่ยวแก่เที่ยเก็บเที่วตายเลยนั่นพินจาสั้นคนเจ้าทุกเลย บาปกรรมที่ทําไว้ก็พอให้ผลเลยอย่างดีเข้าไปวิถฑบาตในบ้านเขาโค้งนกกองกาควาากับปิวมาใส่หัวเท่านั้นเองเลียดไหลออกมาเสมอเสมแต่ก็อดทนเอาอดทนยังไหนพอเอาเขามันเลือดทางผิดมาได้เลือดทางถูกแล้วก็ต้องได้รับกรรมนิดนิด น, น้อยอดทนเอามันก็มีความทุกขความเจริญขึ้นไปพรอฉะนั้นให้ฟังแล้วให้คิดพิจารณาเบิง่ง ว่คนเกิดนี่มันทุกปันใดปันไดทั้งมันนานแสนนานปันใดเฮาเกิดมานับพบนับชาตินับกลับนับกันบทวนแล้วในโอกาสแล้วที่คราวนี้นะ่ะเฮาได้โอกาสแล้วได้โอกาสปฏิบัติธรรมแล้วอีกสองสามวันก็จะได้เข้าไปทดสอบไปฝึก ทดสอบอีกท่หนึง่งทดลองเบิรงว่ามันได้บ่ภาวนาขึ้นยังเป็นยังอันนี้ถ้าเป็ี่นแล้วขึ้นแนวได้แล้วเอาก็่อ้เฮ็ดต่อไปอี ก, กระยะหนึ่งเมือ่อคอดแล้วเอาก่ไปบ้านเอาก็ค่อยทำเรื่อยๆเอาปฏิบัติอยู่เรื่อยอันนี้ ให้ใส้ใจลงรู้อย่าวางคับมันอย่าบาังคับความรู้สึกให้รู้ซื้ออันที่มันหนักเหนื่อยอยู่ในตัวนี่ประมาณสองสามวันก็เมดไปมันก็จะสบายตอนแรกก็ส3งสามวันนี่แหละมันสบายเก็บหลายขาคนี่้นนี่ ปันมันสิแตกออกคนละปันปันนั่งรถไปหลงข้อ บ, บางคนละมีไอ้ไปบ่นสองสามเมืองหายไปอย่าบังคับลมหายใจเขาคอยรูดเฉยๆลมเข้าก็คอยรูดลมออกก็คอยรู้เ อ, เ า, อ, เ า, อเาอยู่เท่านี้แหละส่วนลมสั้นลมยาวค่อยว่ากันทีหลัง จิลมออกลมเข้าเท่านั้นะใช้ได้แล้วแต่อย่าบังคับมันจะคิดนั่นคิดนี่ก็ให้มันคิดไปอ่าอย่าไปใจไปใส่ความคิดให้ตั้งสติรู้ลมอย่างเดียวเทศนาว่าการก็เพื่อเพื่อให้เข้าใจในชีวิตนั่นหละว่ามันเทียเเทยเท่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตาย บทเรียนในวัฏสงสารนั่นนี่ว่าจะครบจากสิ้นจากเถื่อนนั่นแหละหเฮาบัเบือนายว่ปัวาสางวอเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เทีเกิดเที่ยวตายนี่เฮาบัาอยากนีอยากก่องทุกอันนี้วอนี่แหละทฤษให้ฟังวันนี้ก็เทศจังซีมืออื่นก็ทฤษแนวใหม่ห้ฟังอีก